สองมทับสี่ห้องพักสี่ยองขวัญเตียงที่ใครก็อยู่ไม่ได้ผมเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านตัวเมืองในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งแน่นอนว่าเมื่อจะเข้าปีหนึ่งจะต้องมีการให้นักศึกษาทุกคนได้อยู่หอพักในมหาวิทยาลัยหรือหอในนั่นเองห้องสองสสามนี้ ผมได้พักอยู่กับเพื่อนที่อยู่สาขาเดียวกันอีกคนหนึ่งวันนั้นนักศึกษาทุกคนต้องมารายงานตัวเข้าหอและรับกุญแจห้องวันแรกที่ผมได้กุญแจห้องมาเป็นวันเดียวกันกับที่ผมนั้นได้เข้าไปยังห้องพักห้องนี้ซึ่งห้องของผมนั้นอยู่ที่ชั้นสี่เมื่อผมเดินไปจนถึงหน้าประตูห้อง และหยุดมองดูที่ประตูผมก็เห็นหมายเลขสองสสามติดอยู่ที่หน้าห้องเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปก็เจอดีเลยห้องนั้นแคบมากคิดในใจว่ากูจะอยู่ได้ไหมเนี่ย ลักษณะของห้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งแบ่งครึ่งโซนเป็นของใครของมันประตูหน้าห้องจะตรงกับประตูหลังห้องพอดิบพอดีมีเตียงสี่เตียงมีหัวเตียงหันเข้าชนกันแบ่งเป็นโซนด้านซ้ายและด้านขวาปลายเตียงมีตู้เสื้อผ้าข้างหัวนอนมีโตะ๊ะพร้อมลิ้นชักของใครของมันเมื่อเข้าไปในห้อง ผมกับเพื่อนก็ตรวจดูว่ามีของอะไรชำรุดหรือเปล่าลองเปิดพัดลมเปิดน้ำเปิดไฟเช็คดูว่าทำงานปกติดีไหมแต่สิ่งที่ผิดสังเกตก็คือเตียงฝั่งระเบียงทั้งสองเตียงนั้นได้มีคนเอาของมาใส่ไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครพอดูเหมือนของทั้งหมดนั้นถูกยัดไว้อยู่ในตู้ ด้วยความอยากรู้ผมกับเพื่อนได้ถือวิสาสะแอบเปิดดูในตู้นั้นแล้วก็เดากันว่าน่าจะเป็นของของดุนพีจากนั้นผมกับเพื่อนก็ไปตรวจดูตู้โตะ๊ะและเตียงของตัวเองเตียงของผมนั้นเป็นเตียงที่สี่ฟังประตูหน้าเตียงและโต๊ะของผมนั้นสภาพดีใช้ได้ แต่พอเปิดตู้เสื้อผ้าก็ต้องแปลกใจนิดหน่อยเพราะยังมีของบางอย่างอยู่ในตู้ผมจึงรื้อของออกมาแล้วเอาไปใส่ไว้ในกล่องที่อยู่ข้างตู้ซึ่งเป็นกล่องเหมือนกับกล่องใส่ทีวีวางทิ้งไว้อยู่ตรงนั้นพอดีวันนั้นผมกับเพื่อนตัดสินใจจะนอนอยู่ที่หอนี้เลยเนื่องจากมีกิจกรรมในช่วงเช้า จึงกลับบ้านไปขนของแล้วกลับมานอนที่ห้องนี้ผมขนของจากบ้านมาถึงหออีกครั้งก็ประมาณสองทุ่มกว่ า, ก, วาการใช้ชีวิตอยู่ที่หอในช่วงแรกก็ปกติดีไม่มีอะไรจนมีพี่คนหนึ่งเข้ามาอยู่ซึ่งนอนหัวชนกับหัวนอนผมพอดีเขาก็ชวนคุยเรื่อยเปื่อยไม่มีอะไรมากและพี่อีกคนก็มาอยู่ชีวิตก็ปกติสงบสุขดี จนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ผมต้องอาศัยอยู่ในห้องคนเดียวพี่คนบนหัวนอนของผมก่อนที่เขาจะออกไปก็พูดขึ้นมาว่านอนเตียงเนี่ยก็ระวังหน่อยนะเจ้าของเก่ามันไม่อยู่แล้วในใจผมก็คิดว่าเอาละไงคืนนี้กูนอนไม่หลับแน่แน่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่ย้ายเข้ามา ก็ไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระหรือเจ้าที่เจ้าทางก่อนเลยก่อนนอนในคืนนั้นผมหันไปมองกล่องที่วางอยู่ข้างตู้ใบนั้นรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีแต่ในคืนนั้นผมก็หลับไปเพราะความง่วงและก็ไม่ได้เก็บเอาคำพูดของรุ่นพี่มาคิดหลายวันต่อมาวันนั้นผมอยู่คนเดียวอีกแล้วตอนเย็นซึ่งก็ใกล้ที่จะมืดแล้ว ผมได้ลงไปซื้อขนมร้านที่ขายอยู่ข้างล่างของหอพักโดยปกติทุกวันการที่ผมจะขึ้นหรือลงหอผมมักจะใช้ลิฟต์อยู่เสมอเสมอวันนี้เองตอนลงไปข้างล่างผมก็ลงด้วยลิฟต์แต่ไม่รู้อะไรโดนใจตอนขึ้นกลับอยากเดินขึ้นบันไดร้อมกับกดเล่นโทรศัพท์ไปด้วยผมลงไปและขึ้นมาที่ห้อง ใช้เวลาเพียงไม่นานพอขึ้นมาถึงหน้าห้องก็บิดลูกบิดประตูแต่ตอนบิดนึกขึ้นได้ว่าตอนลงไปก็ล็อกประตูไว้แล้วทำไมตอนขึ้นมามันกลับไม่ได้ล็อกณนะเวลานั้นสมองผมเริ่มตื้อร่างกายทำอะไรไม่ถูกไม่กล้าที่จะเปิดเข้าไปในห้องใจหนึ่งก็คิดว่า น่าจะเป็นเพื่อนหรือไม่ก็รุ่นพี่ที่อาจจะกลับมาแล้วก็ได้แต่ใจหนึ่งก็ไม่กล้าเปิดเพราะถ้าเปิดประตูเข้าห้องไปก็จะเห็นเตียงของผมเลยแต่ในตอนนั้นความคิดของผมเตลิดไปหมดแล้วด้วยความอยากรู้สงสัยและความกลัวมือผมดันประตูเข้าไปเองโดยที่สมองไม่ได้สั่งงานให้เปิดและรู้สึกว่า ประตูมันฟืดกว่าเดิมมากพอเปิดเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นก็คือเงาดำาๆลังลางคล้ายกับผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ที่เตียงผมผมก็เลยตัดสินใจเอาวะเป็นไงก็เป็นกันแล้วเอามือซ้ายคลาหาสวิตไฟที่ผนังพอเจอผมก็กดเปิดเลยทันทีแต่ผู้ชายคนนั้นไม่หายไป แล้วเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นมาจากเตียงผมตกใจมากยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกลักษณะของเขาเป็นผู้ชายที่ดูแล้วน่าจะอายุไร่เลียกันกับผมใบหน้าเขาเศร้าหมองขอบตาครํำไร้อารมณ์แล้วเขาก็พูดด้วยเสียงเย็นชาว่ามาหาใคร ขณะที่ผมยืนทื่อตัวแข็งอยู่นั้นเขาก็เริ่มทำหน้าเหมือนกับงงๆผมทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนี้ก็เลยถอยออกมาจากห้องแล้วค่อยๆเอื้อมมือไปปิดประตูผมจึงได้เห็นป้ายที่หน้าห้องเขียนว่า ห้องสองสสามพอเห็นแบบนั้นปุ๊บผมก็รีบวิ่งเหมือนหมาโดนน้ำร้อนไอเชี่ยมาผิดชั้นซึ่งก็มักจะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆเวลาผมเดินขึ้นบันไดพร้อมกับเล่นโทรศัพท์ไปด้วยอยู่ต่อไปอีกนานพอสมควรผมก็ยังไม่ได้เอาของในกล่องใบนั้นไปทิ้งวันนั้นผมมั่นใจมาก ว่าเดินขึ้นมาไม่ผิดชั้นไม่ผิดห้องอย่างแน่นอนเปิดประตูเข้าไปกรองใบนั้นที่อยู่ข้างตู้หายไปแล้วสักพักผมได้ยินเสียงในห้องน้ำคล้ายมีคนอยู่ในนั้นแต่ดูสภาพห้องและสิ่งของแล้ว ยังไม่มีใครกลับมาที่ห้องอย่างแน่นอนสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปิดประตูออกมาจากห้องน้ำแล้วมีคนเดินออกมาเป็นผู้ชายผิวคล้ำร่างอวบหอมกับถือกล่องใบนั้น ไม่พูดไม่จ้าอะไรแล้วก็ค่อยๆเดินออกห้องไปอย่างช้าๆปล่อยให้ผมยืนตะลึงได้สักพักใหญ่แต่โชคดีที่รุ่นพี่วันนี้กลับมาเร็ว<ม>เขาก็เลยเล่าให้ฟังและผมจึงได้รู้ว่าพี่ที่เคยอยู่เตียงนี้ เขามาเอาของของเขากลับเพราะตอนนี้เขาย้ายไปเรียนที่อื่นแล้วอ้าวสรุปยังไม่ตายนี่หว่าในที่สุดคดีกรองปิศนาก็ถูกไขออกสีผมรู้สึกโล่งใจมากที่ไม่ได้นอนทับที่ใครตายจนผ่านมาเกือบสองเดือนกว่าๆทุกอย่างดูปกติดีแต่มีอยู่คืนหนึ่ง ตอนนั้นผมอยู่ในห้องคนเดียวอีกแล้วก่อนจะนอนผมก็เข้าห้องน้ำเพื่อที่จะไปอาบน้ำตอนอาบน้ำนั้นน่าจะราวๆสามเกือบสี่ทุ่มผมได้ยินเสียงคนลากเก้าอี้อยู่ในห้องครืดกึกๆครืดผมก็เลยคิดว่าคง ม, มีใครสักคนกลับมาแล้วแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่า ทำไมไม่ได้ยินเสียงเปิดและปิดประตูห้องเลยซึ่งโดยปกติดูเมกคนในห้องจะเปิดและปิดประตูห้องเสียงดังเสมอถ้ามีคนมาผมต้องได้ยินเสียงประตูห้องอย่างแน่นอนแต่นี่ไม่ได้ยินเสียงใครเปิดหรือปิดประตูเลยผมรีบอาบน้าเช็ดตัวด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทาใจอยู่ในห้องน้าสักพักหนึ่ง จึงค่อยๆเปิดประตูออกไปไม่มีใครอยู่ในห้องเลยเก้าอี e ้ก็ยังวางอยู่ที่เดิมผมก็เลยเดินไปดูที่เก้าอี้แต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็เลยสรุปเอาเองว่าน่าจะเป็นเสียงแจักห้องข้างๆผมปิดไฟนอนแต่พอนอนไปได้สักพักหนึ่งเสียงเดิมก็กลับมาครืดกึกกครืด ผมรีบเอื้อมมือหาอะไรก็ได้ที่ให้แสงสว่างได้ณเวลานั้นเมื่อผมเปิดไฟจากหน้าจอมือถือที่ปลายเตียงผมเห็นคนคล้ายผู้หญิงสวมชุดนักศึกษายืนอยู่ที่ปลายเตียงผมผมรีบขยี้ตาอย่างแรงเป็นไปไม่ได้ผมน่าจะตาฝาดไปเองหลังจากขยี้ตาแล้วผมค่อยๆเปิดตามองดูอีกครั้ง ให้ตายของจริงเลยงานนี้คุยิงในชุดนักศึกษาคนนั้นยืนแล้วจ้องมองมาที่ผมเธอดูกโกรธมากเหมือนกับว่าผมมาทำอะไรในที่ของเขาในระยะเวลาแค่ไม่กี่วินาทีมันยาวนานเหมือนกับเป็นชั่วโมงผมตัวแข็งทื่อสั้นเท่าขนลุกชีแทบจะลดลงบนที่นอน ขณะที่เธอนั้นค่อยๆเอื้อมมืออันขาวซีดเข้ามาหาผมอย่างช้าๆ สามารถกระดุกกระดิกตัวได้เลยมันทรมานมากและผมก็กลัวมากด้วยเช่นกันผมหลับตาปี๋แล้วก็รวบรวมความกล้าและสติสวดมนต์ตามแบบฉบับหนังผีที่เคยดูแล้วผมก็เด้งลุกจากที่นอนขึ้นมานั่งหน้าตาตื่นตกใจหอบอย่างแรงเหงื่อท่วมหน้าท่วมตัวหัวใจแทบจะวายตายเพื่อน และพี่ทุกคนในห้องหันมามองที่ผมแล้วทำหน้าแปลกใจว่าผมเป็นอะไรผมจึงเล่าให้เพื่อนและพี่ๆฟังสรุปคือผมคงคิดมากแล้วฝันร้ายไปเองตั้งแต่วันนั้นจนเรียนจบผมก็ไม่เคยฝันอะไรเลวร้ายแบบนี้อีกเลย See you.